ห้องปลอดเชื้อจะเสร็จวันนี้นะลงตอนบ่ายๆลงตาคงได้เข้าคงเข้าได้เข้าพักเข้าพักห้องปลอดเชื้อตอนบ่ายๆตอนเช้านี่หลวงพ่อก็เข้าไปดูแลเรียบร้อยแต่กาลังทําความสะอาดและก็ทดสอบเครื่องบางตัวยังยังใช้ไม่ได้ดีแต่แต่หลวงพ่อก็ได้ถามนายช่างนายช่างโอ้ทํางานอย่างเต็มที่ สมผู้ที่อยากจะได้บุญกระองคหลงตาลูกหลานทุกคนให้เจริญเจริญเน้อลูกหลานที่ทำห้องปลอดเชื้อหลงตาให้เจริญรุ่งเรืองให้ล่ํารวยรผู้ที่ที่อยู่ไกลอยู่ทางไกลก็อยากจะทราบบันการโอ้หลงตาวันนี้เป็นยังไงนาะแต่เมื่อวานในรกพ่อก็ได้เรียนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางไกลว่าอาการหลงตารู้สึกว่าหนักกว่าทุกครั้งนะาาแต่เมื่อวานแต่ วันก่อนนะไม่ใช่เคืนวันก่อนแต่เมื่อวานน้รู้สึกว่าหลวงตาผูดด้ตายหลวงตาอยากจะออกมาข้างนอกอีกมักั่นะนั่งจะนั่งรถก๊อปออกมาแต่คณะแพทย์ก็บอกว่าขอให้องคงหลวงตาพักผ่อนก่อนเพราะว่าหลวงตาเพิ่งฟื้นขึ้นมาแล้วหลวงตาออกไปอาจจะไปถูกลมหนาวเพราะช่วงนี้อากาศหนาวมากเริ่มเย็นทางอีสาน แล้วท่านจะออกตอนเย็นอีกต่างหากท่ากลับขึ้นมากลับเข้ามาแล้วหลวงตาก็คงจะไม่ทัดขันจะไม่ค่อยสบายในแพทย์เขาก็เลยข อ, ขอร้องเมื่อวานนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกไปเมื่อวานนี่ยแต่คณะท า, า, า, ญญายาโยมลูกหลานก็นั่งเป็นแถวเหมือนกันนะทางหน้าวัดจะเพื่อกราบองคหลวงตานะแต่คณะแพทย์ได้ขอร้องหลวงตาเลยไม่ได้ออกไปตอนนี้เมื่อวานตั้งแต่เมื่อเช้าวานมาเนี่ย หลวงที่หลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยไปขึ้นถึงวันก่อนนะ่ะหลวงพ่อรายงานให้ทราบแต่แต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อวานนีทีตั้งแต่8ปดนาฬิกาเนาฬิกาน่มาถึงวันนี้หลวงพ่อจะเรียนให้ทราบ อ, อีกเมื่อหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปดูห้องปอดเชือ้อเมื่อวานนีที่กุฏิของหลวงตาห้องปลอดเชือ้อก็ทาง ในช่างที่ลูกหลานที่กำลังทำด้วยความขมักกรมน้นบอกว่าวันพุ่งนี้เสร็จแน่ครับหลวงพ่องั้นหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็เออลูกหลานตั้งอกตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ทำอย่างดีอีกต่างหากแล้วก็โครงช่างนั้นเสร็จแล้วแต่ยังเหลือพวกท่อพวกอะไรต่อเข้ามาเพราะเป็นห้องปรับอุณอุณภูมิไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันเย็นจนเกินไป ก็วันนี้ก็ได้เข้าไปดูอีกว่าพุ่งนี้ในวันนี้อตอนไปบ่ายทุกทุกอย่างคงจะเรียบร้อยทั้งทําความสะอาดด้วยทั้งปรับกลิ่นด้วยไม่ให้มีกลิ่นในห้องด้วยพอลงตาเข้ามาแล้วก็จะมีอาจจะเปลี่ยนกลิ่นพวกทินเนอร์พวกสีพวกอะไรนะจะไม่ให้มีเขาจะอบให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่ลงตาจะเข้ามาเมื่อคือนนี้พวกคณะลูกหลานที่เป็นช่างไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วงั้นเถอะทางานนะ ทำจริงๆเหมือนกันทางอาจารย์สมหมายที่เป็นหัวหน้าที่เป็นฝ่ายพระที่เป็นช่างดูควบคุมอยู่ก็ไปดูๆใช่เพื่อหลวงพ่อพูดจบให้พวกเราเข้าไปดูได้เพราะว่าทางาคณะกรรมการบอกว่าจากถ้าใครจะเข้าไปดูในช่วงนี้ก็เข้าไปดูได้แต่เมื่อลงตาเข้ามาแล้วพวกเราโอ้ยอยากจะไปดูห้องของลงตานะเข้าไปดูไม่ได้นะที่นี่นะเพราะทางเจ้าหน้าที่เขาจะกันเอาไว้ไม่ให้ไปรบกวนองค์หลวงตานะ เป็นอันว่าห้องของหลวงตานี่ยจะเสร็จในวันนี้หลวงตาก็คงจะเข้ามาอยู่ช่วงบ่ายๆวันนี้แต่ส่วนค่าอุปกรณ์หรือ ว, ว่าการเงินนั้นก็คงจะไม่ได้จ่ายปรับปรับนะถวผู้ใดอยากจะส่งมาถวายหรือจะมาร่วมทํทาบุญกับองค์หลวงตาก็ส่งเข้ามาได้เพราะว่าเราก็จะต้องเก็บรวบรวมไปช่วงระยะหนึ่งแล้วก็คงจะจ่ายให้อุปกรณ์การแพทย์การช่างหรือว่าพนักงาน เนี่ยที่เกี่ยวข้องที่มาทำการทำงานของคงมีค่าใช้จ่ายนะในส่วนหนึ่งรายนั้นถ้ามันเหลือจากห้องปอดเชื้อแล้วลวงตาก็จาเป็นได้ใช้อย่างอื่นสงเคราะห์โรกต่อไปอันนี้ปัจจัยเข้าหลวงตาเหมือนกับที่ที่หลวงพ่อได้บอกว่าเหมือนรถของเรานะเราใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปที่เดียวเท่านั้นแะเราไม่ได้หยอดทุกแห่งหน้ะ ง, งันอะเราหยอดที่เดียวเทเข้าไปในที่เดียว น้ำมันเครื่องแล้วก็ไหลไปสู่ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองน้อยทุกฟันเฟืองก็ได้รับน้ำมันเครื่องมันจะรื่นไปด้วยการทั้งหมดรถทางคันนี่ก็เหมือนกันเราถวายอง์ลวงตาเพียงที่เดียวนะจุดเดียวแล้วก็น้ำมันเครื่องคือจตุปัจจัยก็จะไหลเข้าไปสู่ที่จุดไหนที่ขาดตกบกพร่องกจ็จะเต็มตื่นขึ้นราบรื่น ในการบริหารในการเมตตาขององค์หลวงตาานะเพดัะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนะี่ได้มาทำบุญขององค์หลวงตาหลวงพ่อว่าไม่ผิดที่ผิดทางนะเหมือนกับเราหวานเพืชลงในเนื้อนาที่ดีนะนะั่นแหะพอหว่านลงไปแล้วผลงอกเคยก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่หวานเราก็ไม่ได้รับผลนะนี่แหละการเาะแสวงหา ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะเออเลยลูกพ่อเดี๋ยวพูดเรื่องสุขภาพลงตาให้ฟังสักหน่อยใช เ, ออเมื่อกี้พูดเรื่อง เ, ออเรื่องห้องห้องปลอดเชื้อนะแต่ไี้มาพูดเรื่องเรื่องสุขภาพลงตาเมื่อวานนะพอลุงพ่อสันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออฟ้าหญิงออกับคณะแพทย์สิทธิราชท่านนั่งเครื่องส่วนพระ อ, องค์ กับคณะแพทย์จากศิริราชมาลงที่อุดอรจากนั้นคณะแพทย์ก็ได้เข้ามากับพระ อ, องค์ท่านนะกับฟ้าหญิงไม่เป็นกลุม่มเลยมาทั้งคณะบดีด้วยนะเมื่อวานเนี่ยคณะบลลดีศิริราชด้วยและวก็นายแพทย์ศาสตราจารย์ทุกแผนกมาเต็มอัตราสึกเลยว่างั้นเถอะเมื่อวานเนี่ยที่หลวงที่หลวงพ่อได้ไปเห็นที่ศิริราชมาครบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันมีอาจารย์หมอเนตรพลอาจารย์หมอสุชายอาจารย์หมออมร อาจารย์หมอสมหวังอาจารย์หมอสถาพรเนีแล้วก็ขออภัยที่ไม่ได้บอกชื่อทั้งหมดนะหลวงพ่อก็จําไม่ค่อยได้นะที่พูดพูดปาดนะตล้นจะเป็นศาสตราจารย์ของสิทธิราช ท, ทั้งนั้นที่มาเมื่อวานเนี่ยกับฟ้าหญิงก็เข้าไปกราบองค์หลวงตานีฟังดูนะที่นี่ฟ้าหญิงในท่านเป็นเป็นลูกของหลวงตาจริงๆรักเคารพในองค์หลวงตาจริงๆนะออมาเยี่ยมองค์หลวงตาเมื่อวานหลวงพ่อเห็นแล้วก็ ứng, ซึ้ง คณะสงเห็นและอย่างหลวงพ่อเห็นซึ้งในใจจากนั้นท่านก็เข้าไปในห้องในห้องที่ผ้าม่า น, นที่ที่พักของหลวงตากับคณะแพทย์เข้าไปใ น, ในเข้าไปพระหญิงก็ได้กลาวาาาว่ารัฒนาหลวงตาเมื่อวานหลวงตาเจ้าขาขอให้แพทย์ดูดเอาน้ำในกระเพาะของท่านพ่อออกเพื่อจะได้สบาย ลงตาก็ให้ให้ใหว่า ง, งั้นเถอะพ่อฟ้ายิงขอจากนั้นแพทย์เขาก็ได้สอดใจยางเข้าไปแล้วก็ดอดดูดน้ําออกจากกระเพาะองค์ลงตาเมื่อวานเลยสามกว่าซีซีนะที่มันมันมั น, มน อ, ยอยู่ในท้องอาจากนั้นก็ฟ้ายิงก็ได้ขอว่าน้ําดูน้ําในปอดของท่านพอ่อรู้สึกว่ามากไปขอให้เจาะเอาน้ําออกจากปอดได้ไหมท่านพอ่อ หมอก็เลยท่านหลวงทานวัอนุญาตอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเพื่อลวงตาจะได้สบายอันที่3ก็คือสอดสายอาหารตะก่อนสอดทางทางซ้ายมือแต่บัดนี้สอดทางขวาเพราะว่าลวงตาท่านอาจจะติดเชื้อทางนี้ก็เลยมาใส่ทางนี้เข้าไปเพื่อเป็นสายอาหารให้อาหารทางเส้นเลือดนะแล้วก็ให้ยาทางเส้นเลือดอีกเนี่ยเข้าไปทางทางแขนขวา หลวงตาก็อนุญาตเมื่อวานเลยแปลว่าคว้าหญิงมาเมื่อวานเลยหลวงพ่อบอกคุ้มจริงๆเหมือนกันเถ อ, อเออนี่ยว่าหลวงตานี่เป็นร่มโลพล่มใส่ค้าหญิงก็เป็นเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาขอหลวงตาได้นะสามอย่างฮะดูดน้ํำในกระเพาะเอาสายสายยางเข้าไปทางเส้นเลือดและการดูดน้ําออกจาก ปอดลงตาเพราะนั้นลงตาเมื่อวานเนี่ยนอนหลับสบายพูดได้อะไรได้เนี่ยจนถึงจะจะได้ออกอยากจะออกมานั่งรถออกมาเป็นนั้นว่าอาการของลงตาดีขึ้นมากเมื่อวานนี่นะออาการลงตาดีขึ้นมากเมื่อวานเนี่ยแต่มาถึงเมื่อเช้านี่ก็ได้เข้าไปดูท่านก็พูดได้อะไรได้ก็ยังสืบเครื่องมาจากเมื่อวานนี้ส่วนยาได้ยาอะไรบ้างก็คือให้ยาปฏิชีวนะ ตัวเดียว ท, ที่ถวายท่านอยู่คื อ, อยาอยาสงสัยว่าอะไรที่ปอดปอดของท่านมีไอนะ่น่ะปอดติดเชื้อนะ่ะเขคงให้ยาเพียงตัวเดียวแต่นักก็ให้สารอาหารสองอย่างเข้าสู่ร่างกายของหลงตาส่วนอื่นก็ยังก็ไม่ได้เข้านะนีะ่คือการรักษาอาพาธขององค์หลงตาเมื่อเช้าเนี่ยทราบจากพระหรือว่าเข้าไปดู ถึงหลวงพ่อเข้าไปดูกราบเข้าไปกราบท่านมืเช้านะ่ยท่านก็นยังนอนอยู่ก็ถามพระว่าท่านสบายดีแล้วก็มีมีถ่ายสองครั้งเมื่อเมื่อคืนนี้มีถ่ายามีถ่ายมีถ่ายสองครั้งเมื่อคืนนี้น อ, อกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมีแต่ไอไอนั้นมีอยู่ไอนั้นบ่อยครั้งอยู่แต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรความดันหัวใจปกติหมดทุกอย่าง เลือดอะไรก็ปกตินนอกนั้นปกติหมดในในสุขภาพของดวงตาที่เมื่อวานมาถึงวันนี้นะเนี่แหลคะคือชี้แจงให้แกคณะทายาิโยมบางท่านก็อยากจะเออเอเอพระอาจารย์องค์ขาวๆนั่นะอะยังไม่รู้จักนะองค์ขาวๆออกมาพูดเลยทำไมไม่พูดว่าจะรักษาอย่างไรลวงตาวะพูดอย่างนั้นก็เข้ามาก็มีอีกหลวงพ่อเอ้ย หลวงพ่อไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอจะไปชี้แจงขนาดนั้นได้ยังไงหลวงพ่อจะชี้แจงให้แต่ว่าเอออาการอาภาษของลวงตาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทอนนเด น, นจะรักษาอย่างนู้นจะรักษาอย่างนี้อาจเป็นหน้าที่ของแพทย์ของหมอใช่ไหมละ่ะไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่ออินอันนั้นนะนะอ่ะดนั้นขอคณะสัตยาธาญญญาิยมที่อยู่ทางไกลให้รับทราบด้วยติดการจะรักษาอย่างไรให้พวกเราติดตามถามไทยแพทย์หมอจึงจะรู้ แต่หลวงพ่อเองก็มีแต่แต่สีแจงให้ฟังว่าอาการลงตาแต่และพี่แต่ละวันนี้เป็นยังไงเพื่อให้ความเพื่อความสบายใจของคณะสิทธิลูกศิษย์ลูกหาเก่าแก่ที่เป็นผู้สูงอายุที่อยากจะรู้ที่อยู่ในบ้านที่ไม่ได้มาไม่ได้มามาไม่ได้เดินทางไม่สะดวกเ่ก็แต่อยากจะฟังเพราะได้เคยมาเขารบ ฟังธรรมเทศนาได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาได้รู้ธรรมะจากองค์หลวงตาแล้วก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าหลวงตาเนี่เป็นยังไงนี่แหละธรรมมาหลวงพ่อก็ได้ชี้แจงให้พวกเราได้รับทราบแต่ตามไม่จริงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในะการสวัสดิหาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามการสแสวงหาอาจารย์ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราคิดดูสิอย่างภาษาริบุตรไ อ, อพอไปฟังการละเล่นแล้วแล้วเ อ, อเห็นคนทั้งหลายคนทั้งหลายได้จะต้องตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้แล้วเราจะมารื่นเริงสนุกสนานอยู่ทำใหม่โมกขลาเนะี่ยมกขลากับสาริบุตรมีความคิดแบบเดียวกัน จากนั้นอ่ะปะเราต้องแ ส, สวงหาครูบาอาจารย์ก็ไปศึกษากับนี่แหละสนใสไปสนไปศึกษากับอะไรที่เป็นนิายหนึ่งอยู่ที่กรุงราชสกุไปอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่แน่เคือว่าดูแล้วไม่ใช่เพราะท่านมีปัญญาไปศึกษากับอาจารย์ฟังอาจารย์พูดไม่ใช่ไม่ใช่้ชนทางมันก็เหมือนกับฮูกินหางอย่างนี้แหละวนไปวนมานไม่ใช่ไม่ใช่ทาง ก็เลยออกไปเสา ะ, ะแสวงหาอีกคือเราไปเสา ะ, ะแสวงเดินพระสารีบุตรก็ไปพบพระอจัจฉริยนะที่เป็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะอาัอาจฉริยะองค์สุดท้ายนะได้ฟังธรรมเทศนาของพระอจัจฉริยะว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุให้ดูที่เหตเุถ้าจะดับก็ดับที่เหตุเนะพราะมันมีเหตุสักคนจะค่อยมีผลนะ พระษาราบุตรได้ฟังเพียงเท่านั้นล่ะได้สําเร็จเป็นพระโสดารบันพโสดาบั น, าบนถามหาอาจารย์อาจารย์เราอยู่ไหนพระอาจารยชีย้ก็ว่าพระพุทธเจ้าจเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นี่แหละไปหาท่านที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยที่อะไรจากนั้นภาษาฤาบุตรก็ได้ไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก็ได้บวช บวชได้7วันก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ผุดอย่างโบ ร, รัดนะนี่แหละคือการเสาะแสวงหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยแสวงหาอาจารย์เนี่ยสำคัญนะพวกคณะกนัฏธาญาตโยมอย่ามองข้ามนะเพราะท่านการที่พวกเราได้มาพบองค์หลวงตาเนี่ยได้มาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลักธรรมถูกต้องอย่างหลวงตาเขเหมือนกันเท่าไปท่านไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านไปเจอหลวงปู่มั่น ที่เป็นอาจารย์ของท่านถ้าว่าผู้ใดก็ตามนะถ้าได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะให้ในทางที่ถูกต้องแล้วเป็นมหากุศุอันยิ่งใหญ่เป็นเป็นลาบอันประเสริฐนะแต่ถ้าว่าพวกเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์อย่างในครั้งพุทธกาลไปเข้าเป็นหมู่เทวทัตสักอย่างนี้เข้าไปกไปเห็นพระพุทธเจ้าพูดคิดไปแนวหนึ่ง ไปเข้ากับเทวทัศน์โอถูกกันมากถูกเจเลสนิสัยกันเนีพวกนั้นก็พากันไปสู่นรกเสียมากต่อมาเพราะเหตุไรเพราะเดินทางผิดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่จะ ส, ะสวัสดิหาครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแนละต้องอาจารย์นี้ต้องมาก่อนนะถ้าอาจารย์เป็นมิจฉาทิฐิเสีย อ, อย่างนะเนีพวกเราจิตติดตามไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตามหลังอาจารย์ไปทั้งหมด เนี่หลวงตาของเรานี่ท่านเป็นพระอริยะนะฮเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้ พ, พวกเราศึกษาดูเถอะในหลักพระธรรมวินัยแล้วหลวงตาหลวงตาของเราจะเดินตามแนวแถวนั้นเนี่ยเพราะนั้นพวกเราได้มาพบมาเจอองค์หลวงตาเนี่ยเนี่ยว่าเป็นลาบันประเสริฐนะในเมื่อมาเจอกับครูบาอาจารย์แล้วท่นี่สิ่งไหนที่มันไม่ดีท่นี่ย้อนมาถึงหาพวกเราแล้วนะท่นี่ สิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราอย่า อ, อ, อย่าคิดลิคิดลิพูดลิรมในสิ่งที่มันไม่ดี อ, อยิ่งเรามาอยู่ต่อหน้าพระริยะอย่างองค์หลวงตาหลวงตาท่างก็ยืนยันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วในใจของเราหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วอันนี้พวกเราก็เคยได้ยินหลวงพ่อ ก, ก็ได้ยินะพวกเราทั้งหลายก็คงได้ยินนั่นแหละ ทีนี้พวกเรามาอยู่ต่อหน้าพระอริยะอยอยู่ในขอบเขตของพระอริยะอยในหลักของพธธรรุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั้นแลเป็นที่รื่นรมพระอรหรอันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมอะคือพระอรหันต์อยู่ณที่ถ้าก็ดีป่าไม้ก็ดีอยู่ณสถานที่ใดก็ดีที่นั่นเป็นที่ รื่นรมราบเรื่นเป็นที่สงบสงัดพวกเราเข้ามาแล้วก็สบายอกสบายใจคล้ายๆว่าเป็นเครื่องที่ดึงดูดทางด้าน จ, จิตใจให้ใจของเราร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราเข้ามาใกล้ร่มเงาของพระอริยะนะี่แหละขอให้พวกเราเมื่อเข้ามาใกล้พระอริยะแล้วให้พวกเราตั้งใจนะอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดอย่าไปคิดในมัถึงที่ไม่ถูกต้องทาไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องอันนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นทางที่ไม่ถูกแนละ้วเดินเป็นผิดทางแล้วนะเดินไปมิทางมิถาทิฐิแล้วนะั่นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลุงตาท่านสอนอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนั่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอที่พวกเราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันสิ่งไหนที่มันผิดสิ่งไหนที่มันถูกพวกเราก็รู้แก่ใจ ถ้ามันผิดแล้วก็เ อ, อือยอมซะถอยหลังกลับคืนซะเนีพอเรามาอยู่ต่อหน้าพระ อ, อริยะบุคคลเออท่านเป็นผู้บริสุทธิเ์เราจะมาก่อกรรมทำเข็นก่อเวรกันผูกพยาบาทอาฆาตต่อเวรจองเวรกันต่อหน้าพระหรัรเนี่ยมันไม่ถูกนะอหลวงพ่อว่านะอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านาที่หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ น, นางมนุษย์กับ น, นางยักษ์ข้านั้น เธอนางยักษ์ไล่กินลูกของมนุษย์นะ่ะนางมนุษย์ก็วิ่งเข้ามาต่อพระพุทธเจ้ามอบลูกให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอรับและเรียกนางยักษ์เข้ามาพระพุทธองค์บอกว่าเธอทั้งสองนะถ้าไม่ได้มาเจอเราตถาคตพวกเราพวกเธอทั้งสองจะจองเวีนไปนานสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากี่พบ ก, กี่ชาติแต่บัดนี้พวกเธอทั้งสองเข้ามาต่อหน้าเราตถาคตแล้วยกเวี ย, ยกยรกำออกจากจิตใจซะนะ การจองเวรกันไม่เป็นผลดีแต่ข่าวนี้ใช่ข้าพเจ้าชนะแต่ข่าวหน้าเนี่ยเขาชนะเราเออมันจะพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ยงั้นไม่มีใครแพ้ใครชนะใครเพราะเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวร<ๆ>เวรจะระงับไม่ได้เพราะการจองเวรกันอยู่เพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายยินดีในการจองเวรกันนั้นไม่เป็นผลดีเออไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเธอเองนะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องให้อาโหสิซึ่งกันและกัน ในเมื่อให้องโสิทกันแล้วเวณจะละงับพวกเราฟังดูสิในเมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าองค์หลวงตาหตรงองค์พระอรหันต์พวกเราจะมาจองกรรมจองเวนจองร่างจองผ่านผูกพยาบาทอาฆาตกันผู้ใดเขาตามถ้าคิดอย่างนั้นกรุงพ่อว่าไม่ถูกควรจะมาส่อแสวงหาควรจะมาขุดทองควรจะมาสะ่ะแสวงหาทรัพย์สมบัติ เข้าสู่ติตเข้าสู่ใจของพวกเราพอไม่กี่ปีแล้วพวกเราก็ต่างคนต่างไปแล้วอไม่ใครไม่มีใครที่จะอยู่โชฟ้าดินสลายได้ถึงร้อยปีก็อย่างว่าเนะี่ยหมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัทยา ญ, ญาณโยมทุกคนนะที่หลวงพว่อพูดทางนี้ทั้งนั้นคืออยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาเนี่ยรักสามัคคีให้อภัยมีน้ําใจมีเมตตาแล้วก็ บูชาพระคุณองค์หลวงตาด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาแบบไม่เข้ามาแบบศักดิ์วามาเท่นั้นเองนะมาด้วยจิตมาด้วยใจสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องในพวกเราที่จะช่วยเหลือได้พวกเราเข้าไปในสูตรจุดนั้นเลยช่วยเหลือองค์หลวงตาจึงจะเป็นลูกที่ดีได้นะถ้าว่าพวกโลกที่ไม่ดีก็มีหลายๆมีหลายๆอย่างเหมือนกันนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดให้ฟัง โลกไม่ดีนะี่เป็นยังไงนะในครั้งพระพุทธเจ้าครั้งพุทธการนะที่กรุงสวัรถีนะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารมีาพามแก่คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วงั้นเถอะซัตเซยพระเนจรหาขอทานหาขอทานกินแล้วงั้นเถอะไปเห็นวัดโอ้สมณะเนี่ยนักบวชเนี่ยคงจะมีเมตตาต่อคนมาก ถ้าเราเข้าไปท่านท่านคงจะให้ข้าวให้อาหารกับกับเราบ้างเออพราะคนแก่เนีเออ่ยคงจะให้อาหารกับเราบ้างสัมมาณะออนักบวชโดยมากก็มีเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าไปท่านคงจะให้อาหารหรือให้ของใช้กับเราบ้างฮท่านก็เลยเข้าไปพอเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นเออพราหม์ขอทานคนนี้นะ่ะตะกรันเขาเป็นคนรวย แต่บัดนี้เขาเป็นคนจนแต่อุปนิสัยใจของเขาจะได้สําเร็จเป็นเพระโสดาบันนะในครั้งนี้พระพุทธองค์ก็เจด็จประทับอยู่ตอนบ่ายก็ให้พารามเข้ามาเข้าให้พารามเข้ามาพามก็เข้ามาก็มากราบพระพุทธองค์ก็ถามทักทายทักทายถามเออโยมมาอย่างไงพรามมาอย่างไงคือถามสารถุสุกดิบของพรามเหมือนกันนะพามตะนงก์ให้ มาก่าวว่าข้าพระ อ, องค์ตะก่อนก็เป็นคนมีอันจะกินในกรุงสาวัตถีเนี่ยมีทรัพย์มีทรัพย์ อ, อ, อยู่ล้านกหาปณะนะมีล้านกะหาปณะนะแต่ข้าพเจ้ามีลูกชายกับนางพรมะมณีนะ่มีอยู่9คนแต่พอต่อมานางพรมะนะพรมณีน่ตายนางพระมณีตายข้าพระ อ, องค์ก็อยู่ตามอยู่กับลูก อยู่กับลูกทั้งหมด9คนพอต่อมาลูกทั้ง9คนก็มีครอบครัวแต่งงานกันทุกคนมีครอบครัวแต่ข้าพเจ้ามีเงินอยู่ล้านกหาปณะนะแต่นี้ลูกทุกคนก็บอกว่าพ่อพวกผมก็มีครอบครัวหมดแล้วทั้ง9ก้าคนพวกผมอยากจะได้เงินทุนตัวนี้แหละเอาไปเพื่อลงทุนเพื่อลงทุนเพื่อสร้างหลักฐานเพื่อบริหารและก็สร้างหลักฐาน ในครอบครัวขอพ่อแบ่งแบ่งสมบัติทั้ง9้าล้านนี่โดยเฉพับพ่อพวกผมยังไงผมผมก็จะเลี้ยงคุณพ่ออยู่แล้วมีคุณพ่อคนเดียวพวกผมไม่ไปไหนเราผมจะเลี้ยงคุณพ่อทั้งพ่อเออก็ได้นี่พวกเราจะแบ่งกันคนละเท่าไหร่ตีสมบัติเนี่ยพวกนั้นเขาขอคนละแสนอขอคนละแสนมอบให้พ่อแสนหนึ่งวงั้นอะให้พ่อแสนหนึ่งให้ลูก ทั้งหมดคนละแสนละแสนพวกนั้นก็ได้เาคนก็ได้เ0 0 0แสนนะเงินกระหาปณะสมัยนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะ9 00าแสนเหมือนกนนะขั้นระดับเศรษฐีระดับย่อมๆเหมือนนนะต่อมาอีกที่เนี่ยไอ้พวกผู้หญิงนะ่ะลูกสะพ้ายนะนะ่ะแกลุยให้สามีเอ้ยปู่เอาไว้ทําไมเงินแสนนะั่นน่ะก็น่าจะมาแบ่งกันอีกไอ้คนคนละเมินมาแบ่งให้คนละเมิอนอีกเพราะว่าพวกเราจะ มันเงินมันหมุนยังไม่พอเนี่ยถ้าได้หมื่นหนึ่งมากก็คงจะดีขึ้นถึงยังไงยังไงพวกเราก็จะเลี้ยงปู่อยู่แล้วเนี่ยทางพวกนี้ก็เข้าไปขอพ่ออีกพ่อเออแบ่งก็แบง่งพอก็ให้อีกคนละหมืน่นละหมืน่นยังอยู่ก็พ่อเมื่นหนึ่งปาทพอมาเบิร์นหมื่นอีกทีนี่ต่อมาอีกบอกว่ายังเหลือหมื่นอีกนะ่ะพวกเราน่าจะแบ่งกันอีกคนละพันอีกนะแล้วก็ไปขออีก ขออีกพ่อให้คนละพันละพันละพันยังเหลือกัพ่อพันหนึ่งเทนี่พอพ่อพันหนึ่งเทนี้ก็พ่อก็ใช้จ่ายบ้างอะไรบ้างไอพี่พ่อเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่ลูกพี่ลูกชายคนโตว่างั้นเถอะไปอยู่กับลูกชายคนโตพ่อต่อมาจูบนานเข้าปีสองสามปีเข้าเทนี่ไอลูกสะภ้ยคนโตนะั่นไอลูกสะภ้าคนโตบอกว่าปูนะเวลาแบงสมบัตินะแบงทั่วถึงกันแต่พอมาอยู่มาอยู่กับเรา ไม่ได้ไปคงไม่รู้จักบ้านคนอื่นนะปูนะ่นักอคนแก่ก็เคืองแล้วทีนี้ใครเข้า อ, อกอันนี้เขาไลา่ลาใเนวาค่ะอันนี้เขาไลา่ลาวนวาจากนั้นถ้าปู่พูดบ่อยเข้าบ่อยเข้าปู่ไปบ้านลังอื่นอพอไปบ้านลังอื่นพอเงินพันมันก็ใช้จ่ายมันจะนานเท่าไหร่ทีนี้แบ่งคนนั้นแบ่งลูกแบง่งหลานคนนั้นคนนี้บ้างคนแก่ก็ใช้บ้างพอต่อมาพอไปบ้า น, นคนที่สอง ก็อยู่ไปอีกเกินสองสามเดือนไอ้ลูกสะพ้ยก็ขึ้นมาพูดขึ้นพูดขึ้นมาอีกว่าปูเนี่ยไม่รู้จะคงไม่ได้จักบ้านใครอื่นคงจะมารู้จักแต่บ้านเราปูก็เคืองใจอีกวันพูดหลายครั้งปูไปไปอีกเหมือน้นพอไปไปไปจนถึงคนสุดท้องนถึอพอถึงคนสุดท้องแล้วกว็ลูกสะภ้ยคนสุดท้องกับพูดอีกว่าเงี้ะ ว, ว่าปูไม่รู้จักบ้านคนอื่นรู้จักแต่อยู่แต่บ้านเรา เนีพราคนแก่เนะี่ยเขางกงานเงินทำอะไรก็ไม่ถูกใจบางทีก็ขี่ราดเดี่ยวลาดไปตามปกติของคนแก่นะเนีลูกสะภ้ยเนี่ยก็ไม่พอใจเนี่ยผลที่สุดก็ไล่แบบไกลๆเพราะงั้นลูกพ่อตาพ่อปูะะ่น เ, เ, นน เ, เนี่ยก็หนีท่นี่หนีท่นี้ก็บอกเอลูกของเราเนี่ยพึ่งพาอาศัยไม่ได้แนละ้วเราไปหาขอทานกินดีกว่าสบายใจกว่าอแต่แก่ก็เลยได้หมอโลตัวหนึ่งแล้วกันไปขอขอทานกินเนี่ย ไปบ้านไหนะก็ขอวนะ่านั่งไปบ้นชุดแท็กเขาจะให้เหมือนกันสัตเสพระเจนจรไปเรื่อยคําที่ไหนกนนนนนหน็นอนที่นั่นชายคาที่น้อยนอนที่นั่นเหมือนกันเถอะแปลว่าไม่มีหวัวตีนปลายเท้าแล้วเหมนเถอะเพราะฉะนั้นเขาจึงเดินชักเสพพระเจนจรเข้าไปไปถึงวัดป่าเชตตะวันนะเอสมณะท่านคงจะมีเมตตาคงจะให้อาหารกับเราบ้างมัง้งสมมณะเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้ว เราเข้าไปคงจะได้อันใดอันหนึ่งแต่พอเข้าไปพระพุทธเจ้าก็เลยให้ถามว่าพราหมณ์มยยังไงพราหมณ์คนเรียงลาดับให้ฟังว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพราหมณ์เธอจําได้เธอเธอจะจะเรียนไหมไอ้สุนทรพจน์ฮะพระพุทธเจ้าจะสอนสุนทรพจน์ให้ว่างั้นเถะแล้วให้ไปกล่าวเวลาเรียนจําจํา จ, จากเราไปแล้วนะให้ไปกล่าวในต่อหน้าลูก เธอทำได้ไหมอย่างนั้นพราหมก็ว่าได้ครับผมได้ครับผมอ่ะเรียนพวะผูใ้ใดเจ้าก็เลยเรียนเรียนคําพูดไทยพอลูกจําได้นะพูดให้ฟังสิพูดให้ฟังก็จําได้จําได้ทุกอย่างไปเวลาไปแล้วให้เรียกลูกชายทั้ง9้าคนลูกสะพ้ยเก้าคนหลานมีเท่าไหร่เรียกมาเรียกมาในในศาลาในศาลากลางหมู่บ้านเหมือนกัน ในกลางหมู่บ้านเราเรียกมาให้แล้วก็พามก็ยืนยืนขึ้นในกลางในกลางในกลางศาลาหลังนั้นแล้วก็มีไม้เท้านะในพระพุทธโอกรสอนนี่ให้มีไม้เท้าอย่างนี้นะแล้วก็มีมีเครื่องขอทานด้วยนะตะไครไว้นะนมือไม้เท้าอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เก่าคาถาที่เราสอนให้นี่นะพูดอย่างนี้นะจําได้นะครับพ่อพรามไปถึง ไปถึงหมู่บ้านที่ที่ป้ม บ, บ้านพรามเธออยู่ลูกห ล, ล, ลานทางร้ายโรคท้งหลายหลานทางหลายให้มาที่พ่อกลับมาแล้วพ่อจะมาเยี่ยมพวกนั้นก็เห็นไม่เห็นหน้าพ่อนานใช่ไหมกลุมมาแน่คนทางอื่นพวกพี่น้องทั้งหลายก็มาพอมาถึงแล้วก็นั่งล้อมรอบบอกว่าเราได้หนีจากพวกท่านนาน เ, เราลักเราลักเมตตาเราลักพวกท่านมาก แต่เราก็ได้จําใจจะต้องจากแต่เราได้ไปเรียนคาคำทำคำสอนจากสมณะโคดมพุทธเจ้าเราจะได้กล่าวสุนทรพจทธให้พวกท่านฟังพวกท่านอยากจะฟังไหมเขาว่าอยากจะฟังอยากจะฟังพราหม์คนนั้นก็เลยยืนขึ้นในถ้ำกลางวงญาติกลางหมู่บ้านนะในศาลาหลังนั้นว่าน้นได้ยืนขึ้นมาพราหมณ์ก็เลย ในที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเลี้ยงบุตรสุดที่จะลาบากไปไปกาบลงตาไปกราบลงตา เป็นแชกเหรอโอ้ให้บในหลายเอไบาตา